ญาติโยมทั้งหลายวันนี้ก็เป็นวันที่สามในการเจริญพระกรรมฐานวันนี้ก็ขอพูดแต่ละอย่างได้ย่อแต่ว่าสูตรจะยาวเมื่อคืนนี้พระสูตรสั้นไปหน่อยนะพอฟังพระสูตรเพลินดีบางคนฟังไปฟังไปก็เข้าชายคราบเลินวาริงพระสูตรมีความสำคัญมากเพราะเป็นเรื่องตัวอย่างเป็นบุคคลตัวอย่าง วันนี้ก็ขอแนะนาบรรดาญาโยมพุทธบริษัทให้รู้จักการฝึกสมาธิใช้กำลังไม่ตองมากเพราะกำลังฝึกสมาธิในความจริงไม่จำเป็นต้องใช้เวลามากไม่ต้องใช้กำลังมากนักเพราะสมาธิประกรการตั้งใจให้ใช้แค่อารมณ์เป็นสุข <c oughs> แล้วก็ฝึกโดยเฉพา ะ, จะเจ้าอย่างใดอย่างหนึ่งให้มีการทรงตัวให้ได้การทรงตัวเรียกว่าฌาน ถ้ารมทรงตัวสมาธิแบบนั้นอย่างภาวนา ว, ว่าพุทโธพอได้เวลาปับ๊บหายใจเข้าจะ อ, ออกไป็บังคับเองว่าภาวนาว่พุโทโธอย่างนี้ที่เป็นการทรงฌานวันนี้ก็ขอแนะนําเฉพาะจุดก็พุโทโธในเบื้องต้นนะแต่เบื้องปลายอาจจะแนะนําในการจบเรื่องการเจริญกรรมฐานก็ได้สุดแต่เวลาแต่ไม่แน่นอนนะัก <c oughs> เพราะว่าคําว่าพุโทโธมีความสําคัญมาก ถ้าการภาวนาบรรดาญาโยมพุทธบริษัท <c oughs> อาตจมาไม่กะไม่เกณฑ์ไม่บังคับใครนะถ้าท่านพูดใดภาวนาอย่างใดอย่างหนึ่งมีการคล่องตัวดีแล้วแล้วก็มีการทรงตัวดีจิตใจเรียบหมายความไม่ไม่สะดุดแล้วก็มีรมแจ่มใสให้ภาวนาอย่างนั้นไม่ต้องเปลี่ยนคําว่าพุทโธนี่หมายถึงพระพุทธเจ้า ท่านจะภาวนาว่าพุโทโธหรือภาวนาอย่างอื่นก็ตามใจผลที่จะเหมือนกันก็นคือว่าก่อนภาวนาเรานึกถึงพระพุทธเจ้านั่นเองอย่างทุกคนที่ฝึกมโนยุทธิภาวนาว่านมามพัทะ <c oughs> ขณะที่ภาวนาว่นมามพัทะเราก็นึกถึงพระพุทธเจ้าบางท่านก็เห็นพระรูปพระสงฆองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างนี้แม้แต่ภาวนาว่านามพัทะก็เหมือนพุทโธคือนึกถึงพระพุทธเจ้านั่นเอง ย่อบางท่านภาวนาสัมมาระหังบ้างอิติสุกโตบ้างยบหนอพองหนอบ้างทุกอย่างจะภาวนาไว้ยังไงก็ตามถ้านึกถึงพระพุทธเจ้าถือว่าเป็นพุทธานุปติเหมือนกันบทอเนสงเหมือนกันนึกคําว่าพุทธโธดียังไงก็เห็นจะไม่ต้องอธิบายมากเดี๋ยวไปคุยกันแนะนําวิธีปฏิบัติกันก่อนวิธีปฏิบัติก็ขอได้โปร ด, ดไม่ต้องเครียด เอาอย่างนี้นะธรรมดาญาติโยมพุทธบริษัทที่มีเวลาน้อย <c oughs> ให้ใช้การบังคับใจตัวเองครั้งละไม่เกินสิบรอบคำเราคำว่าสิบรอบหมายความให้ใจเข้านึกว่าพุทธใจออกนึกว่าทัเป็นหนึ่งรอบเริ่มหนึ่งจบอย่างนี้ไม่เกินสิบใช้ได้แต่การที่ว่าบังคับไม่เกินสิบต้องบังคับให้ทรงตัวจริง หมความว่าเวลานี้เราต้องการอย่าภาวนาเราจะนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ก็บังคับใจว่าหายใจเข้าเรานึกตามว่าพุทธหายใจออกนึกตามว่าโธ่แต่ว่าเวลาหายใจให้ใจตามสมบายอย่าบังคับลมหายใจทําอย่างนี้คิดว่าเราจะทําครั้งนี้เป็นแค่สิบรอบคือว่าสิบครั้งพุทโธสิบคน ในขัน้นละที่เราจะภาวนาพุโทสิบผลนี่เราจะไม่ยอมใหอารมณ์จิตคิดถึงอย่างอื่นเลยถ้าบาังเอิญ <c oughs> ถ้าถ้าบังเอิญจิตคิดฟุ้งซ่าน <c oughs> <c oughs> ก่อนยี่นึกถึงสรกสิบครั้งก็เริ่มต้นใหม่ให้เข็ดถ้าท่านทำอย่างนี้ทุกคนก่อนหลับนึกพาวนาว่าพุทโธให้ใจเข้านึกว่าพุทธเจ้านึกว่าโธ หรือว่าจะภาวนาอย่างอื่นก็ได้เอาแค่สิบครั้งให้ทรงตัวจริงๆแล้วก็ปล่อยจิตคิดไปเร่อยตามเรื่องตำราไปถ้าเวลาตื่นใหม่ๆยังไม่ตระลกจากที่นอนนอนแบบนั้นภาวนาอย่างนี้สิบครั้งรู้ลงให้ใจเขาออกด้วยทําอย่างนี้ทุกวันอย่างช้าไม่เกินสามเดือนกําลังใจของทุกท่านจะเป็นกําลังใจของผู้ทรงฌาน ท่าหมายความว่าจิตจะทรงสมาธิได้ดีแล้ใน <c oughs> การทรงสมาธิจะนานหรือไม่นานนั้นไม่สําคัญอย่าไปเร่งรัดเกินไปถึงแม้ว่าจิตจะทรงสมาธิได้ไม่นานคําว่าฌานก็คืออารมณ์ชินถ้าว่าจิตบ้างจะอารมณ์อื่นจิตจะนึกถึงพุทโธขึ้นมาทันที <c oughs> โดยที่เราไม่ต้องบังคับอย่างนี้เที่ยวผู้ทรงฌานถ้าเป็นผู้ทรงฌานแบบนี้ดีแบบไหน ก็ต้องของนำตัวอย่างมาตัวอย่างที่จะนำมานี่ไม่ใช่พู้ทรงชาน <c oughs> <c oughs> เป็นคนที่มีบาปมากแต่้ว่าก่อนจะตายคิดถึงพระเจ้านิดเดียวก็ตายแล้วไปสวรรค์จากสวรรค์จะได้ต้องลงอเวจีเป็นต้นแต่ก็ไม่ทันจะลงพะพบองค์สมเด็จพระทศพันธ์คือพระพุทธเจ้าฟังเทศ จ, จ, า, จากพระพุทธเจ้าจบเดียวเป็นปโสสาบานัน ไ้ตัดความชั่วทั้งหมดไปเลย <c oughs> <c oughs> นี่เป็นเรื่องย่อ <c oughs> ก็จะเล่าสู่กันฟังแต่ไม่ใช่เรื่องมัได้กุณลีเทีบุทไม่ได้กุณลีเทีบบทนันท่านไม่เคารพพระพุทธศาสนาจริงแต่เขาไม่ได้ทำความชั่วเขาไม่ได้ทำบาป <c oughs> <c oughs> แต่รายนี้ไม่เคารพพระพุทธศาสนาด้วยและก็ไม่เคารพทุกๆุกศาสนา สำหรับมาตกุณลลีเนี่ยเขาไม่เคารพพุทธศาสนาแต่เคารพเคารพศาสนาพราหมณ์เพราะพ่อเป็นอาจารย์สอนวิชาของพราหม์ <c oughs> แต่รายนี้ยิ่งกว่านั้นไม่เคารพพุทธศาสนาด้วยไม่เคารพทุกศาสนาแล้วก็แกล่งแกล้งคนที่บำเพ็ญตนบำเพ็ญบุญในพุทธศาสนาอีกด้วยฟังตัวอย่างต่อไปนะพกะสูตรนี้ ความจริงถ้าอ่านตามพระไตรปิฎกก็ไม่พบจามามีมาในไปกินอกะในพระสูตรต่ตางๆคือว่าตามที่ในพระสูตรที่เขาเราเรียนกันไม่ใช่เฉพาะในพระไตรปิฎกอย่างเดียวแต่ตามบาลีที่ในไตรปิฎกไม่ได้บันทึกไว้แต่พระอาจารย์บันทึกไวต่างหากมีอยู่เรื่องราวก็มีว่า <c oughs> ในสมัยหนึ่งปรากฏว่ามีบุคคลคนหนึ่ง ได้ชื่อในสมัยมนุษย์เป็นอาชื่ออะไรอาตมา ก, ก็ลืมหรืออาจจะไม่ลืมก็ได้นะจำไม่ได้ <c oughs> <c oughs> แต่ว่าตอนนั้นเขาเป็นเทวดามีนามสุปฏิธิตาเทพบุตรก็เรื่องราวก็เกิดขึ้นไม่นานนักเกิดขึ้นในสมัยเมื่อพระพุทธเจ้าก็ได้ขึ้นไปโปรดพุทธมารดาในเองสองพันปีกษตรนะสองพันหรอปีศษัตริ์ ก็เป็นว่าในสมัยนั้นพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวันไปทัพที่บรรดุกระศิลาอาตก็ตั้งใจยาเทพโปรดพุทธมารดาเป็นการสนองคุณความดีของมัรดาที่ทรงครอาพระองค์เมื่อพระองค์วัฒทัพอยู่นั่นแสดงความประสงค์พระอินท์ก็ไปเชิญพระพุทธมารดามาที่อยู่ชั้นดุสิตแต่ความจริงพุทธมารดาท่านเป็นเทพบระบุคือเป็นผู้ชาย ว่าจากเป็นผู้หญิงเนี่ยตายจากความหญิงแล้วก็ไปเกิดเป็นเทพบุตรเป็นผู้ชายเพราะว่าทองเขาบุกคนผู้ใดที่พระพุทธเจ้าเกิดท้องนั้นคนอื่นไม่ควรจะเกิดซ้ำซ้อนท้องนั้นท่านจะไปเกิดเป็นเทพบุตร <c oughs> ว่าท่านเทพบุตรพวกเป็นพุทธมารดามาแล้วองค์สมเด็จพระบพิตรแก้วก็แสดงพระธรรมเทศน า, าคือเทศอาบิธรรม <c oughs> ขณะที่พระพุทธเจ้าเทศอยู่เทวดาส่วนใหญ่ในดาวดินก็มาฟังมากแต่ว่าคําว่ามากก็ยังไม่ถึงว่าหมดเพราะพระเทวดาบางท่านก็ไม่รู้พระเจ้าสเสด็จ ก, ก็มีเขายังใหม่มากก็เ พ, เพิ่งถึง <c oughs> <c oughs> เวลานั้นก็มีเทวดาองค์หนึ่ง <c oughs> ชื่อจริงๆบาลีก็ไม่ได้บอกบอกเขียนไว้แต่เพียงว่าบอกจารยาของท่านท่านในชื่อตามบาลีว่าอากาศจารีเทพบุตร ก็เรียกว่าเทวดาเจ้เทพบุตรทีเที่ยวไปนาอากาศท่าเทวดาองค์นี้เมื่อฟังเทศจากพระเจ้าครู่หนึ่งพอไปที่พอใจก็ะไปท่าวิมานต่างๆประกาศว่าพ่อเอ้ยแม่เอ้ยใครไปจขอวิมานนี้บ้างเวลานี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมาเทพโปรดที่บรรดุกรพณศิลาอาดขอทุกท่านไปฟังเทศจากองค์สมเด็จพระบรมโลกนาดเพื่อต่อบญบารมี เป็นว่าเทวดาก็ดีนางฟ้าก็ดีเมื่อทราบต่างองค์ต่างก็รีบมาแต่ว่าเทวดาวนี้เพาะไปทึงวิมานวิมานหนึ่งปรากฏว่าวิมานนั้นมีสภาพเศร้าหมองมากเครื่องทิพย์เศร้าหมองดูเครื่องแต่งตัวเทวดาที่เป็นเจ้าของวิมาน ก, ก็เศร้าหมอง <c oughs> มองไว้ด้วยทีที่รักแร้วิงเหื่าตางธรรมดาถ้าเครื่องทิพย์เศร้าหมองก็ดี ที่รักแรมีเหงื่อก็ดีสแสดงว่าเทวดาอลันจะต้องจุติข้าไม่จุติคือเคลื่อนไปไปจากเทวดาจะไปเกิดที่ไหนยังไม่ทราบเมพระธาราเสจารีเทพบุตรเห็นดังนั้นก็ประกาศเขาเรียกว่าคุ้นใครเป็นเจ้าของวิมานนี่ <c oughs> อันนี้ขอแย่หน่อยว่าใครเป็นเจ้าของวิมานนี้เวลานี้พระพุทธเจ้ามาเทพโสดที่บขขรรดดกพลศิลาอาด เออตัวท่านเองทําไมไม่ไปฟังเทศต่อบุญบา ร, รมีอีกไว้ช้าไม่นานอีกไม่เกินเจ็ดวันนี้ท่านจะต้องจุติจากความมิถิวดาแล้วเพเวลานี้เครื่องทิพย์ของท่านเศร้าหมองเอื่อร่อยจากรักแรท่านจะต้องตายภายในเจ็ดวัน <c oughs> ทําไมไม่ไปสั่งสมบา ร, รมีให้มันดีขึ้นต่อบุญบา ร, รมีใหม่เวลานั้นถ้าจะของเมาความเป็นทิพย์ ว่าการตายของท่านแจกความเป็นคนท่านไม่ใช่นักบุญท่านเป็นนักบาปแต่ก่อนจะตายนึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านิดเดียวเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังตอนหลังเป็นนวาเจ้าของวิมานฟังแล้วก็ตกใจมองดูเครื่องทิพย์เห็นเศร้าหมองจริงดูที่รักแร้มีเหงื่อจริงก็สะดุ้งตกใจรัวคิดว่าเราตายแน่ เนธเทวดาก็ดีนางฟ้าก็ดีผมก็ดีถ้ามีร่างกายเป็นทิพย์ถ้ามีใจเป็นทิพย์ถ้าท่านจะเคลื่อนจากที่นั่นท่านจะไปเกิดที่ไหนเพราะอาศัยกรรมอะไรท่านทราบด้านสุปฏิทตาเทวดจึงมองคิดพิจารณาดูตัวเอง <c oughs> ว่าเราจะต้องจดติภายในเจดวันถ้าเราจะจุติจากความเทวดาเทวดาแล้วเราจะไปไหนก็ทราบจากกาลังใจที่เป็นทิพย์ ก็เราจะต้องลงอเวจีมหานรกชึ้นเวลาหนึ่งกับคนจากอเวจีมหานรกแล้วก็ต้องผ่านนรกบริวารอีกสขุมเวลาไม่แน่นอนหลังจากนั้นก็ต้องว่านรกทั้งไปขุมจากอเวจีขึ้นมาถึงขุมที่หนึ่งผนรกบริวารขึ้นมาเรื่อยหลังจากนั้นมาจากนรกขุมใหญ่แล้วก็ต้องเข้าโยมมารกีนรกอีกสิขุม เมื่อผ่านยมโลกยนก์สิบขงแล้วก็ทั้งเข่าแดนเปรตอีกสิบสองเจ้าพวกคนจากเปรตก็มาเป็นนสุรกายคนจากสุรกายก็มาเป็นสติฉันพอจะสิ้นสุดภาวะเป็นสติฉันก็เกิดเป็นกาห้าร้อยชาติเป็นแรงห้าร้อยชาติเป็นสุนักบ้าห้าร้อยชาติหลังจากนั้นก็มาเป็นคนง่อยห้าร้อยชาติ ที่เป็นคนง่อยก็เพราะว่าอาศัยที่ตัวเองฆ่าสัตว์ชีวิตโทษวานาติบาตแล้วก็เป็นคนหูหนวกห0 0ร้อชาติ อ, อาศัยกดคองกรรมเวลาที่เขาคุยกันได้ธรรมะธรรมโมบ้างฟังเทศฟังธรร ม, รรมกันบ้างฟังพระโสดบ้างแกล้งท้าเสียงกรบส่งเสียงดังคุยเสียงดังน่ะอันนี้ตะนวังนะโยมนะแล้วก็ต้องเป็นคนตาบอดหชาติ เามาตาบอกให้ร้อยใช่ก็หมายว่ามเขาทําความดีกันทําบุญทําความดีเห็นแล้วแกล้งทําไปไม่เห็น <c oughs> <c oughs> แล้วก็หลังจากนั้นเมื่อทราบว่าตัวเองต้องเป็นแบบนี้ก็มีการตกใจกลัวจึงบอกท่านอาการสิจารีว่าอาการสจารีช่วยเราด้วยอาการจารีก็ถามว่าอะไรเราบอกกันที่ก่อนเพื่อนเอ้ยแล้วก็บอกว่าถ้าฉันตายจาก ท่านจุติจะความเป็นเทวดาต้องไปเกิดแต่เวจีหานุษเล่าเรื่อยมาตันดับตามที่กล่าวมาแล้วห <c oughs> ลังจากนั้นได้กาจารีก็ถามว่าสมัยที่เป็นมนุษย์จะทำอะไรไว้ท่านปุตติท้าวสุปฏิทิตาเทพบุตรก็บอกว่าสมัยเป็นมนุษย์ฉันไม่เคยสร้างความดีขึ้นชื่อว่าทานการให้ก็ดีสินในการรักษาสาินก็ดีเจริญภาวนาก็ตามคำว่าเมตตาปราณีไม่เคยมี ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตตลอดเวลาค่าขายมีความร่ำรยวยแด้ต่อมาเมื่อเวลาใกล้จะตายป่วยหนักทุกเวทนาครอบงํา ม, มากเวลานั้นเห็นพัญญานั่งใกล้ๆเธอก็ช่วยทุกเวันรรเทาทุกเวทนาไม่ได้เห็นบุทิดานั่งใกล้ๆเธอก็ช่วยวันเทาทุกเวทนาไม่ได้ทรัพย์สินทั้งหลายที่เป็นคนรวยก็ไม่สายจะช่วยทุกเวทนาให้ใครได้ ยิ่งนึกในใจว่าสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาคือพระพุทธเจ้าอุบัติเกนแล้วในโลก <c oughs> เขาเลยก็ว่าพระพุทธเจ้าใจดีมเมตตาไม่ว่าใครยังนึกถึงองค์สมเด็จพระจอมไตร่าขอให้มาช่วยหายโรคความจริงเขาไม่ได้นึกแต่ความนะถือว่ารูปเดียวกับมัจกุบนลีมัจกุณนลีเขาไม่ทาบาป เป็นนั้นว่าขณะที่นึกถึงขอพระพุทธเจ้ามาช่วยในเองเธอก็ตายเพราะบุญกําลังใหญ่จะมีปริมาณน้อยบุญที่นึกถึงพระพุทธเจ้านะมีกําลังใหญ่มากเทวบุญสูงมากแต่ว่าปริมาณข้างบนนิดเดียวหมายถว่าทองคํามีค่าสูงแต่เรามีก้อนเล็กมัก็ใช้ไม่ได้นานถ้าขายก็เดี๋ยวก็หมดใช้สตังค์ทก็หมดชั้นใดนี่กําลังใหญ่ข้างบนที่เป็นพุท ธ, ธานวติคือนึกถึงพระพุทธเจ้าของมัตต์คุณลี พระสุปฏิติตาเทพบุต <c> ร <oughs> มีกําลังใหญ่จริงจะกตายจากความเป็นคนก็มีวิมานทองคําเป็นที่อยู่เป็นเทวดามีนามสุปฏิติตาเทพบุตรมีนางฟ้าหนึ่งันเป็นบริวานนี่บุญใหญ่กําลังใหญ่แต่ว่าปริมาณ น, น้อยครองความเป็นสุขในความเป็นเทวดาไม่นายก็หมดบุญ กายจ้าจบอกกับอากาคจารีเทพบุตรบอกว่าถ้าท่านไม่ช่วยผมผมต้องลงอเวจีมอนนรกแน่พีกนานแสนนานหลายหลายเดี่ยวหลายสิบกับหรือหลายร้อยกับก็จะกลับมาเป็นคนได้ก็จะมาเป็นคนปกติกับเขาก็สวัยทุกเวทนามากท่าอากาสจารีก็บอกว่าสุปฏิทิตะเพื่อนรักเธอก็เป็นเทวดา ฉันก็เป็นเทวดาเราก็เป็นเทวดาเหมือนกันโอากาสที่จะช่วยกันมันเป็นไปไม่ได้ฉันไม่มีวัสนาบารมีไม่มีกําลังพอที่ช่วยเธอแต่บกคลที่จะช่วยได้ก็ยังมีอยู่องค์คนเดียวคือพระอินทร์ที่เป็นนายพวกเราทั้งสองคนก็พากันไปเฝ้าพระอินทร์ขอให้ช่วยพระอินทร์ทก็บอกว่าฉันเป็นนายเทก็จริงแหละแต่ว่าฉันก็แค่เทวดาเหมือนกันฉันก็ช่วยไม่ได้ ก็มีอยู่ท่านเดียวองค์นี้ถ้าช่วยได้ก็ได้ถ้าองค์นี้ช่วยไม่ได้ก็ไม่มีใครช่วยได้นั่นคือพระพุทธเจ้าเวลานี้พระเจ้าทรงประดิษฐ์ประทับอยู่ที่บรรุกระโนศิดาอาดกำลังเพศโปรดพุทธมนานดาเป็นการสนองคุณยานั้นพระอินยินิดพาเทวดาสององค์ไปเฝ้าพระพุทธเจ้า ผูงก็กราบโทรให้ทรงทราบว่าเทวดาองค์นี้คือสุปฏิติตาที่บุตรมีโทษแบบ น, รรบบนี้มีกรรมแบบนี้ก็ว่าเลยไปไมขอย้อนหลังแล้วนะเพราะพระเจ้าทรงฟังแล้วก็ทรงพิจารณาว่าเราจะช่วยเทวดาองค์นี้ได้ไหมก็ทรงทราบ ว, ว่าถ้าเทศอภิธรรมจะไม่ตรงกับโภนิสัยของสุปฏิติตาที่บุตร เมื่อเทศไปเทศไปไม่ช้าไม่นานอะไรทุพเทติตาที่บุตรก็จะหมดอายุจุติจากเทวดาลงอเวจีทันทีเจ <c oughs> ้องค์สมเด็จพระจินาศีนพิจารณาใหม่ว่าจะเทศอะไรอภิธรรมไม่ถูกใจเทศาารรอะไรดีพระจินาีก็ทรงทราบว่าถ้าเราเทศอุณหิต ว, วิชัยยสตศจะเป็นที่ถูกใจของเทวดาองค์นี้ฉะนั้นองค์สมเด็จพระจินาีจึน ย, ยุตอภิธรรมชั่วคราวปรเดี๋ยวเดียว ได้เทศอุณหิตวิชายยสูตรพอเทศจบก็ปรากฏสุปฏิทิตาเทพบุตรก็ดีม่ได้กุณลีก็เทวอาการปัญจาลีลเทวดาทาหลายหลายองค์ก็ตามเมื่อฟังจบแล้วต่างคนต่างก็มรุมาผลมีประสดาบันติ้นต้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งสุปฏิทิตาเทพบุตรเป็นประโสดาบันทันทีเมื่อเป็นประโสดาบันก็เป็นเวลาพอดีที่ต้องจดติ เฮ้ก็ตายจากความเป็นเทวดาแล้วเกิดเป็นเทวดาทันทีชัว่วพริบตาเดียวตายปุ๊บเกิดปั๊บที่นั่นเองเป็นพระโสดาบันก็เป็นนั้นว่ากฎข้กรรมทางหลายที่ทำลายสิงก็ดีทำลายธรรมก็ดีที่จะมีโอกาสให้สุปฏิติตาที่บทลงอวัยภูมิต่อไปไม่มีก็เหลือทางเดียวทางที่เขาจะต้องเดินทางต่อไปเข้าถึงนิพพานนิรันดรายาโยมพระธบริษัต เรื่องนี้ที่นํามาพูดเรื่องนิกายกเรื่องของมัแต ก, กุณนาีเทพบุตรก็ตามมีอา ก, การคล้ายคลึงกันแต่เรื่องนี้มีการร้ายแรงมากเพราะสุปฏิทตาเทบุตรไม่เคารพพระพุทธศาสนาด้วยและไม่เคารพทุกทุกศาสนะาโดยเถพาะอย่างยิ่งศาสนาะทุกศาสนาก็ต่างศาสนามีความดีเขายังทําความดีกัน <c oughs> คือแม้บางศาสนาที่มีความดีไม่ถึงนิพพานเขาเขาก็สามารถไปสวรรค์ได้ไปพมได้ยังมีความดีแต่ว่าสุปฏิทิตาเทวดาไม่ยอมสร้างความดีทุกอย่าง <c oughs> ทำบาปวันดีไม่ละวันพระไม่เวน้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งปานาฎิบายก็ชอบอจินนาทานก็ชอบการเมสองช้าชายก็ชอบมุสาวาทก็ชอบการดื่มสุราเมรัยก็ชอบชอบหมดครบถ้วนบริบูรณ์ ข่ายความเมตตาปราณีได้ว่าก่อนจะตายเขานึกถึงพระพุทธเจ้าหน่อยเดียวก็เป็นเทวดาบานสวรรค์เช่นดาวดึงสติวโลกได้ทีนี้การนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นพุทธานุสติกรรมฐานใครถามว่าสุปฏิทิตายทบุตรภาวนาว่าพุทธโธห ร, รออือเปล่าก็ต้องขอตอบว่าเปล่าเขาไม่ได้ภาวนาว่าพุทธโธแต่เขาคิดเองว่าเวลานี้เขาเลยกันว่าพระพุทธเจ้าใจดี เมตตาปราณีไม่เลือกบุคคลไม่เลือกคณะใครมีทุกข์พระพุทธเจ้าทรงสงเคราะห์ให้มีความสุขเวลานี้เรามีทุกข์มากคือมีทุกขเวทนาทางกายเพราะป่วยไข้ไม่สบาย <c oughs> การเครียดจัดขอยองสมเด็จพระพูทมีพระพาะเจ้ามาช่วยหายจากโรคภัยไข้เจ็บนี่เขานึกแค่เพียงช่วยหายจากโรคภัยไข้เจ็บแต่ว่า เ, เวลานั้นพอดีเขาเอินตาย ตายเพราะอาศัยที่กําลังนึกถึงพระพุทธเจ้าเราเรียกว่าพุท ธ, ธานุสติตามภาษาวาลีนึกถึงพระเจ้าเป็นอารมณ์แต่เวลาน้อยเลยเกินเวลาของเขาที่นึกนึกถึงพระพุทธเจ้าน้อยแต่ว่าถึงจะมีเวลาน้อยกําลังที่นึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ก็เป็นบุญใหญ่เพราะอาศัยที่เป็นบุญใหญ่เขาไม่เคยสร้างวิหารทานเขาก็มีวิมานได้ เขาไม่เคยให้ทานเขาก็มีวิมานได้อีกมีเขามีเครื่องทิพย์มีเ ค, เครื่องประดับเป็นทิพย์ได้มีร่างกายเป็นทิพย์ได้เพราะอะไรเพราะ holes. อำ น, นาจ พ, พุทธอ <c oughs> นาจพระพุทธบารมีเี่ถ้าบรารดาผู้เราเหล่าพุทธบริษัทเวลานี้บรรดาแต่พุทธบริษัทหลายส่วนใหญ่หวังจะไปนิพพานเราก็ต้องกันกันไว้ก่อนว่าเราจะไปนิพพานชาตินี้ได้หรือไม่ได้เนี่ยมันไม่แน่ ถึงแม้ว่าจะไปได้แน่ก็ต้องกันไว้ก่อนว่นการมึ ง, มงทานต้องมีพานการให้เป็นปัจจัยมีทรัพย์สินในชาติข้างหน้าจะาร่ำรวยถ้าเราจะไปนิพพานเราจะไม่มีโอกาสรวยก็ราชางมันหวังหวังว่าบังเอิญถ้าไปไม่ได้เราต้องรวยไว้ก่อนรายการที่สองสินสินนี้เป็นปัจจัยเกิดมีร่างกายมีอุดมความอดมสมบูรณ์ คนที่รักษาศีลบริสุทธิ์จะมีร่างกายสมบูรณ์แบบทุกอย่างพรบอาการสาสองถ้ามีจิตเมตตามากจะมีความสวยมากแต่ก็จะไม่ค่อยมีไข้ไม่ค่อยมีโรคภัยไข้เจ็บรคกวนมีอายุยืนนานในเรื่องของศีล <c oughs> เรื่องของภาวนาก็เป็นเหตุให้เกิดถ้าเกิดเป็นคนยังไปนิพพานไม่ได้ก็เป็นคนมีปัญญาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทำแล้วก็ตั้งใจว่าการตายคราวนี้ <c oughs> เรขอตายครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายขึ้นจะมีการมีการร่างกายแบบนี้จะไม่มีต่อไปอีกเมื่อตายครั้งสุดท้ายก็ไม่เกิดมาเพื่อตายใหม่อันนี้อย่าลืมนะตัวนี้เป็นวิปัสสนาญาณสูงมากนะใช้ศัง์ง่ายๆแต่เป็นกําลังวิปัสสนาญาณตัวสุดท้ายคือตัดทวิชาไม่ใช่ต้องไปนั่งไล่เบียร์ตามตัตงสือ้ยเรื่อยๆนะเอาง่ายๆตัดสินใจให้มันแน่นอน ว่าการตายของร่างกายครั้งนี้ถือว่าเป็นการตายครั้งสุดท้ายเพราะร่างกายเียบรายกฏมีอยู่มีแต่วความทุกขเวทนาทุกวันทุกเวทนามีอะไรบ้างก็นั่งนึกตามความจริงหนึ่งตื่นขึ้นมาแล้วมันหิวความหิวก็เป็นทุกทุกตัวแรกเมื่อตื่นใหม่ๆว่าการปวดอุจจาระปัสสาวะมันก็เป็นทุกเป็นประจำวันไอ้นี่มันทุกข์ข้าพเจ้าในสอง การป่วยไข้ไม่สบายก็เป็นอาการของความทุกข์ได้การที่สามความปรารถนาไม่ค่อยอย่าสมหวังเราตั้งใจอยากได้อะไรไม่ได้อย่านั้นสงความตั้งใจมันก็เป็นทุกข์ได้เป็นการต่อไปการพัดพราดจากของรักของชอบใจมันก็เป็นทุกข์ความตายจะเข้ามาถึงมันก็เป็นทุกข์ทุกข์ทั้งหมดนี้อาศัยใคร <c oughs> ใครเป็นเหตุให้เราทุกข์ ก็ท่านนั้นคือร่างกายทุกอย่างนี้ไม่เกิดจากการมีร่างกายอย่างเดียวในเมื่อร่างกายอย่างนี้มันเป็นทุกอย่างนี้เราก็ไม่ต้องการมาอีกเราต้องการจุดหมายปลายทางนั่นคือนิพพานถ้าญาติโยมพระตุภัตต์คิดอย่างนี้ทุกวันไม่จะเป็นเวลาเล็กน้อยก็ไม่สําคัญแ ต, ต่นขึมาจะไปเวลาไหนก็ได้คิดอย่างนี้ซะก่อนแล้วก็ภาวนาคําำภาวนาจะภาวนาว่ายังไงก็ไม่ว่าให้นึกถึงพระพุทธเจ้าก่อน ถ้านึกถึงพระแท้เจ้าก่อนจะภาวนานยัางไงก็ตามถือว่าเป็นพุทธานุติเหมือนกันถ้าเป็นอย่างนี้คิดจนชินสมมติว่าชาตินี้ถ้าเราจะตายจริงๆเอาแค่จะตายจริงก็มีสองจุดสองสามจุดถ้าเราจะตายถ้าญาติโยมคิดอย่างนี้ทุกๆวันไม่แต่เป็นวันนรกน้อยก่อนหลับทุกสองนาทีตืินใหม่ๆแล้วสานาทีนี้ไม่ได้ใบหวยนะยืนนั่งฟังเพลินตัวเป็นหวยไปเลย ไอ้หวยและยำออกตามนี้ก็สวยเหมือนกันอย่าไปโจทไปเร่งหัวนะ <c oughs> ออก่อนหลับัวถึงหมอนแล้วนึกสักสองนาทีเตือนใหม่ๆสักสานาทีนี้พอทําอย่างนี้ทุกวันต่อไปไม่ช้าไม่นานนักถ้าถึงเวลานั้นญาติโยมไม่ได้คิดตามนี้จะมีการไม่สบายใจต้องคิดเช่หน่อยนึกเชหน่อยตามปกติ ถ้าเป็นอย่างนี้แสดงว่าท่านเป็นฌานในด้านนี้แล้วคิดเป็นฌานอย่างนี้ขอยืนยันว่าลงรกกันไม่ได้แน่ตอนนี้เวลาที่จะาตายให้สังเกต ต, ตามนี้แต่ใครจะตายเดีวก็บอกดูนะถต่หากว่าจะไปนิพพานได้ทุกคนจะเห็นพระพุทธเจ้าสวยงามมากอยู่ใกล้ท่านเลยเห็นพระหนานอยู่ใกล้ต่านนี้ต้องเห็นทุกคนขอยืนยันราเห็นทุกคนนะ ถ้ายังไม่เห็นพระพุทธเจ้ามายังไม่เห็นพระอรหันต์หรือเทวดาและอพรหมตามเวลานั้นม ja ันยังไม่ตายพูดหนักงานก็ยังไม่ตายถ้าเวลาจะตายจะต้องเห็นถ้าเห็นพระอรหันต์หระอพระเจ้าอยู่แนวหน้าด้านหน้าข้างหลังไม่เทวดากับผมอย่างนี้ทันไปนิพพานกันแน่ถ้าบาง э ังเอิญมีเทวดาหรือพมอยู่ข้างหน้าอย่างนิดยังไม่ไป น, นิพพานอย่างนี้ตายแล้วต้องเป็นเท ว, ว, วดาหรือเป็นพหมหรือเป็นนางฟ้าเลยก็ไม่ใช่ของแปลก ถ้าเป็นเทวดาก็ตามเป็นนางฟ้าก็ตามเป็นพรงก็ตามอีกไม่นานนักพระสีอ่านจะตรัสเราก็ฟังเทศเจ้าพระสีอ่านเพียงแค่จบเดียวอย่างต่ําก็เป็นระโสดาบันในความจรงิงถ้าบําเป็นบารมีอย่างนี้เขาไม่เป็นระโสดาบันกระนั้ถ้าสมมุติเรายัางไม่ได้นะตายจากความเป็นคนเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าแล้วเทศฟังเทศเจ้าพระสีอ่านนะถ้าเป็นระโสดาบันก็สวยเต็มที อย่างนี้อย่างเล็วต้องเบียนาคามียเป็นอย่างน้อยเพราะบา ร, รมีถึงแล้ว <c oughs> หลังจากนั้นก็ต่อบุญบา ร, รมีของเราเรื่อยขึ้นไปไปถึงนิพพานเป็นว่าร่างกายประเภทนี้ที่เราไม่ต้องการไม่ต้องพบมันอีกอย่างนี้รบรรดา ญ, ญาโยมพุทธบริษัทเป็นนว่าหมดเวลาพอดีนะต่อไปขบันดา ญ, ญาโยมพุทธบริษัทหลายตั้งใจสมาทานศีล ส, ส ม, าา ม, มาทานเนกรรมฐาน เวลาหายใจเข้านึกว่าพุทเวลาหายใจออกนึกว่าโทถ้าญาติโยมท่านใดที่เคยปฏิบัติมาแล้วจัดที่อื่นเคยใช้คำบรรณาแบบไหนข้างตัวไม่ต้องเปลีนะ่ยนใช้คำบรราแบบนั้นตอนนี้ไปเพทุกท่านเริ่มปฏิ